ในระหว่างนี้ก็ยังมีแสดงไว้ว่ามารก็ได้เข้ามาทำการขัดขวางต่างๆหรือวัดทูลส่งเสริม ไปในทางผิดต่างๆอีกห ล, หลายคราวหลายครั้งหลายคราวจนถึงเมื่อมือประชชนมพรรษาแปดสิบ ประกาศพระพุทธศาสนามาได้สี่สิบห้าปีมานก็ยังเด็กเข้าทูลขอให้เสด็จดับขันธปิานเพราะได้ทรงปฏิบัติประกาศพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นขึ้นในโลกบัทิสถานพุทธบริษัท พิกษิพิกษุพิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาขึ้นในโลกสำเร็จตามที่ได้ทรงธรมสังฆ า, าราติทานแล้วพระพุทธองค์จึงได้ตรัดรับ ว่าจะเสด็จดับขันธะปริพานในเวลาต่อจากที่ตรัสกับนั้นอีกไม่นานคือทรงรับในวันเพ็ญ เดินมาค่ะและก็ได้เสด็จดับขันทับนิพพานในวันเพ็ญเดินวีสาขะเป็นเวลาสามเดือนเรื่องมานมีเล่าไว้ดังนี้ และก็มีแสดงไว้ว่ามานเป็นเทพบุตรจะทิดอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกโดยเป็นหัวหน้า ของเทพชั้นนี้กลุ่มหนึ่งอันเป็นฝ่ายมารและในชั้นนี้ก็ยังมีเทพอีกกลุ่มหนึ่งมีหัวหน้าอีกองคหนึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับมาร และยังได้มีแสดงไว้ในคำเพที่น่าจะมีแต่งขึ้นต่อมาภายหลังบ่ต่อไปในอนาคตมารก็จะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าอีก อ, อง์หนึ่งโดยปริยายที่แสดงนี้ ก็แสดงว่ามานเป็นเทพหรือเป็นเทวบุตรองค์หนึ่งหรือท่านหนึ่งหรือภูหนึ่งและ เมื่อพิจารณาดูตามเหตุผลในข้อที่ว่าจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปนั้นก็น่าเห็นว่ามีเหตุผลอยู่บ้างโดยที่ภูจะไปเกิดเป็นเทพนั้น เราไปเกิดได้ด้วยอำนาจของกรรมที่เป็นกุศลด้วยอำนาจของบุญก็ต้องมีทานมีศีลเป็นเหตุจึงจะไปเกิดในสวรรค์ได้ เพราะฉะนั้นเทพที่เป็นมารนังกล่าวนี้ก็จะต้องทำบุญทำกุศลไว้ไม่น้อยจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หกได้แต่ว่าเป็นฝ่ายที่ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไม่ต้องการนิพพานสมบัติพระฉะนั้นจึงปรากฏในเรื่องว่ามานที่เล่านี้ ก็ไม่ได้เที่ยวทำบาปทำกรรมอะไรแก่ใครมุ่งที่จะป้องกันไม่ให้ประโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้า เท่านั้นคือต้องการที่จะให้พระโพธิสัตว์ไม่พ้นไปจากอำนาจของตนเมื่อไม่ตรัสรู้พระองค์ก็ต้องอยู่ในอำนาจของมาน แต่เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงพ้นจากอำนาจของมันมันทำอะไรไม่ได้และเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วยังทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดให้เวนายนิกร บรรลุมรคนิพพานตามอีกเป็นอันมากก็ทำให้บุคคลเป็นอันมากตลอดถึงเทพเป็นอันมากผู้บรรลุมรคนิพพานพ้นไปจากอำนาจของมา มาจรจึงขนขวายป้องกันไม่ให้ใครๆพ้นไปจากอำนาจของมารเท่านั้นก็คือพ้นไปจากอำนาจของโลกพ้นไปจากอำนาจของกิเลส เพราะฉะนั้นหากมารเป็นเทพดังกล่าวก็เป็นวิสัยที่จะเป็นเทพได้ในเมื่อทำบุญทำกุศลมามากส่วนทานส่วนศีลเพื่อมนุษย์สยสมบัติสวรรคสมบัติและมารก็ไม่ได้ไปขัดขวางใคร ผู้ที่ทำบุญทำกุศลเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขัดขวางแต่ผู้ที่ปฏิบัติให้พ้นจากอำนาจของโลกคืออำนาจของกิเลสเท่านั้นต้องการที่จะให้ติดอยู่ในโลก จะเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์ก็ตามก็ยังติดอยู่ในอำนาจของโลกยังไม่เป็นโลกุตระเหนือโลกเมื่อเป็นมักเป็นผลนิพพานละกิเลสได้นั่นแหละจึงจะเป็นโลกุตระเหนือโลก เมื่ออยู่เหนือโลกก็เป็นอันมาพ้นจากอำนาจของโลกคือของกิเลสและของทุกข์ทั้งหลายในโลกมานก็จึงขัดขวางใครๆที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานสมบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อละ มิจฉาทิฏฐิในข้อนี้ได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปได้และข้อนี้ใครๆก็ตามเมื่อยังติดอยู่ในมนุษย์กายสมบัติสวรรคสมบัติ ก็บรรลุถึงนิพพานสมบัติไม่ได้เช่นเดียวกันและในการที่จะบรรลุถึงมนุษย์ี่สมบัติสวรรค์สมบัติได้ก็ต้องประกอบการบุญการกุศลจึงจะบรรลุได้ประกอบการเป็นบาปเป็นการอกุศลต่างๆ ก็ตรงไปอบายคือคติที่เป็นทุกข์ต่างๆไรความสุขความเจริญตามที่แสดงมานี้เรื่องมานจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพัน มาถึงกิเลสเป็นต้นก็สมกับที่ได้มีตรรสะดงไว้ถึงมานห้าคือขันธมาน อิเลสสมานอภิสังขารมานมัจจุมานเทวบุตรมานและท่านก็นแสดงอธิบายว่าคันธามานมานคือคัน ขันก็คือขันห่าอันได้แก่ขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงก็เป็นนา ม, มาขันรู ป, ประขัน หรือที่เรียกว่า น, นามรูปกล่าวโดยย่อก็คือกายใจของทุกๆคนนี้เองได้ชื่อว่าเป็นมารีแปล ว, ว่าผู้ทาให้ตายหรือผู้ทาลาย กิเล ส, สมารมารคือกิเลสจิตแปลว่าเครื่องเศราหมองจิตอันได้แก่กิเลสกองราคะหรือโลภะโทสะโมหะเป็นต้น บรรดาที่เป็นเครื่องเศรามองจิตทั้งหมดทั้งที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดโดยคือว่าเป็นมารคือเป็นผู้ทำให้ตายหรือทำลายอภิสังขารมาน มารคืออภิสังขารอันได้แก่ความปรุงแต่งหมายถึงปรุงแต่งทางใจคือเจตนาความจงใจต่างๆ จนถึงปรุงแต่งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมมัจจุมานมานคือมัจจุอันได้แก่ความตาย ก็เป็นมารคือเป็นภูทําให้ตายหรือภูทําลายชีวิตเทวบุตรมารมารคือเทวบุตรโดยทั่วไปก็คือเทวดาที่เป็นมารและเทพที่เป็นมารดังที่กล่าวมาข้างตน้น ในข้อนี้เมื่อจับพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าทุกทุกข้อนั้นที่ชื่อว่าเป็นมารก็ย่อมเนื่องด้วยกิเลสเนื่องด้วยโลก อันเป็นชื่อของทุกอันเป็นชื่อของกิเลสทุกข้อตั้งแต่ข้อที่หนึ่งขันขมานมานคือขันขันคือขันท้าหรือวันนามารูปนี้ที่เป็นมาน ก็เมื่อยังเป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราดูอุปาทานานามารูปนามารูปที่ยึดถือดังนั้นเมื่อเป็นอุปาทานขัน จึงเป็นมารคือเป็นผู้ฆ่าผู้ทําให้ตายหรือผู้ทําลายเพราะเหตุว่าฆ่าหรือทําลายต่อมรคนิพพานทําให้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงนิพพานสมบัติไม่ได้ก็ได้แค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติต่อเมื่อละอุปาทานความยึดถือว่าตัวเราของเราในขันเสียได้นั่นแหละ จึงจะบรรลุนิพพานสมบัติได้และเมื่อบรรลุนิพพานสมบัติแล้วนังพระพุทธเจ้าและพระอระหันตาสาวกทั้งหลายขันก็ไม่เป็นขันธรรมานของพระองค์แต่ว่าเป็นขันหรือเป็นนามรูปที่เป็นธรรมชาติธรรมดา มาถึงกิเลสสมานข้อสองก็เช่นเดียวกันกิเลสนั้นย่อมเป็นมารโดยตรงเมื่อยังละกิเลสไม่ได้ก็บรรลมุมรรลนิพานไม่ได้คือเมื่อยังติดอยู่ในกิเลสยังยินดีพอใจอยู่ในกิเลส ก็บรรลุมรรผลนิพพานไม่ได้ต่อเมื่อละกิเลตได้กิเลตก็ไม่เป็นมารที่จะขัดขวางต่อการบรรลุมรรผลนิพพานอภิสังขารคือปรุงแต่งทางใจทางจิต เป็นเจตนาตลอดจนถึงก่อกรรมเป็นการกระทำกายกรรมมจีกรรมมนกรรมก็เช่นเดียวกันกรรมที่ชั่วหรือว่าส่วนชั่วก็เป็นมารต่อส่วนดีแม้กรรมที่เป็นส่วนดี ก็เป็นมารต่อส่วนที่เป็นอเนเชะคือที่เป็นกลางๆที่เป็นความสงบแม่กรรมที่เป็นกลางๆเป็นอเนเชะเชินเป็นฌานก็ติดอยู่ก็เป็นมารต่อปัญญาที่จะให้ตรัสรู้ถึงมรรคผลนิพพาน และการที่ยังมีปรุงแต่งอยู่ก็เพราะว่ายังมีกิเลสเะฉะนั้นการปรุงแต่งจึงหมายถึงว่ายังมีกิเลสจึงต้องปรุงแต่งและเมื่อละกิเลสได้ก่อนละการปรุงแต่งได้ พราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีการปรุงแต่งที่จะเป็นมารต่อไปมัจจุคือความตายก็เช่นเดียวกันอีกคนเราทุกๆคนรู้สึกว่าความตายเป็นผู้ทำลายชีวิตก็เพราะว่ายังมี ปูปาทานยึดถืออยู่ในขันในชีวิตเมื่อเป็นเราเป็นของเราจึงรู้สึกว่าความตายนั้นเป็นตัวมานคือเป็นผู้ทําให้ตายโดยตรงเป็นผู้ฆ่าโดยตรงคือว่าฆ่าชีวิตหรือทำลายชีวิตนี้โดยตรงเพราะยังมีความยึดถืออยู่ในชีวิต เ่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงทำให้ทุกๆคนซึ่งเป็นสามั ญ, ญชนต้องกลัวตายมรณะภัยคือความกลัวต่อความตายนั้นยังมีอยู่แก่จิตสามัญทั่วไปก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ในชีวิตว่าเป็นเราเป็นของเราดังที่กล่าวมานั้นฉะนั้น เมื่อละความยึดถือในชีวิตได้ว่าเป็นเราเป็นของเราคือวละกิเลสได้ละความยึดถือในขันได้มัจจุคือความตายก็ไม่เป็นบานแต่ว่าเป็นธรรมดาเช่นเดียวกว่าความเกิดจึงเป็นธรรมดาความแก่ซึ่งเป็นธรรมดา ความเจ็บไข้ซึงเป็นธรรมดาความตายก็เป็นธรรมดาเช่นเดียวกันคนเราชอบความเกิดถือว่าเป็นมงคลแต่ว่าความตายถือว่าเป็นความสูญสิ้นและไม่ถือว่าเป็นมงคลแต่อันที่จริงนั่นเหมือนกัน ทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายเป็นธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านพูดที่สิ้นกิเลสแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระราหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ยึดถือขันไม่ยึดถือชีวิตเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นมานของท่าน แต่เป็นธรรมดาเจนเดียวกับชีวิตที่ดำรงอยู่นี่ก็เป็นธรรมดาเมื่อธาตุทั้งหลายยังประชุมกันอยู่ชีวิตนี้ก็ยังดำรงอยู่ก็เป็นธรรมดาเมื่อธาตุทั้งหลายแตกสลายชีวิตนี้ก็ดับก็เป็นธรรมดาเป็นของธรรมดาสามัญก็เป็นไม่ไมเป็นมารของท่าน เรานีมาถึงเทวบุตรตมานมานคือเทวบุตรก็มักอธิบายถึงเทพที่เป็นมานดังที่กล่าวมาโดยลำดับแต่โดยที่ทุกๆข้อนั้นหรือแม้ที่เล่าถึงมานโดยเป็นเทพก่อสัมพันธ์มาถึงกิเลส สัมพันธ์มาถึงโลกอันหมายถึงตัวทุกและตัวกิเลสนี้เองเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลงวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมาหลงวชิรญาณวองจึงได้ทรงอธิบายว่า หมายถึงรูปธรรมทั้งปวงจะเป็นรูปธรรมที่เป็นมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์ในฉายก็ตามเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นวัตถุต่างๆก็ตามเป่นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลตภะซึ่งเป็นที่ยึดถือเป็นที่รักใคร่ปรานนาพอใจ หรือแม้ไม่เป็นที่ปรารถนาพอใจเป็นที่ตั้งของอิเลกกองโลกกองโกรธกองหลงเหล่านี้ก็รวมเข้าในคำว่ า, าเทวบุธรรมานทั้งนั้นกับทั้งได้ฟังกระแสะรับสั่งของสมเด็จอดุลพิษพระราชสมพาร์เจ้าประบาทสมเด็จพระยูหัว ทรงเห็นว่าเทวบุตรธรรมนั้นควรจะหมายถึงความที่อยากไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหรือความที่อยากไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพก็เป็นตัวกิเลสด้วยกัน เมื่ออธิบายดังนี้ย่อมจะมีความสัมพันธ์กันหมดทั้งห้าข้อเพราะสี่ข้อข้างต้นนั้นก็หมรวมเข้าไปในตัวกิเลสแม้ข้อหานี้เองก็ควรจะหมายรวมเข้าในตัวกิเลสเช่นเดียวกันพระราชดํารตนี้ก็ไปตรงกันเข้า กับข้อดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเจโตวินิพันธะคือเครื่อง